นดับแรกคุณในเดือเนเดือ น, อนอที่แล้วมาได้พูดถึงองประสวดาบันไปแล้วนะเป็นนั้นว่าค่อยๆทําจงอย่าคิดว่าง่ายเกินไปแล้วก็จงอย่าคิดว่ายากเกินไปทุกสิ่งทุกอย่างต้องค่อยใฝึกก็เคยซ้อมโดยเฉพาะ อ, อย่างยิ่งความสำคัญความสำคัญของพระโสดาบันสี่ทาคามีก็อยู่ที่ศีล ตามที่พระพุทธเจ้าสตตต์พระปร ะ, ส, ประสดาบัญญัติพระสิธาคามีก็ดีมีสมาธิเล็กน้อยมีปัญญาเล็กน้อยแต่มีศินบริสุทธิ์นั่นหมายความว่าสมาธิของประโสดาบัญชั่พระสงฆ์ชัยก็ใช้ได้สำหรับปัญญาก็ไม่มีมากมีแต่ความไม่ประหมาในความตายมีความรู้สึกว่าชีวิตที่มันต้องตาย ไม่เมื่อรู้ตัวจะตายก็หาที่พึ่งอันดับแรกพุทธังสนังราชามิพระเจ้าขอถึงพระพุทธเจ้าไปที่พึ่งท่ามังสนังราชามิขอถึงพระธรรมไปที่พึ่งสังขังสนังราฉามิขอถึงพระสงฆ์ไปที่พึ่งนอกจากคารัพระพุทธเจ้าคารัพระธรรมคารับพระสงฆ์แล้วก็ส่งสินบริสุทธิ์โดยเฉพาะ อ, อย่างยิ่งคือสินห้า ในเมื่อสินมีสินห้าบริสุทธิ์จิตรักปฏิพานเป็นอารมณ์อย่างนี้่เรียกวสวดาบันข่างสตัะขะตรงจะหมายความยังมีราเป็นบาลีอ่อนถ้าต้องกลับมาเกิดเป็นคนก็อีกเจ็ชาติจะไปนิพพานเม่ถ้าเป็นประสดาบันข่างกลางที่เรียกว่าโกลงังโกละก็ต้องรวบรวมกาลังใจรักษ า, าการกบฏศิษยด้วย กำหนดสิทธิ์มีอะไรบ้างคือหนึ่งไม่ฆ่าสัตว์สองไม่รักทรัพย์สามไม่พูธธ้จิตกรรมที่ทางกายทางวาจาไม่พูดปดไม่พูดคําหยาบไม่พูดเส่อเสียไม่พูดเพ้อเจอ้อเหลวไหลทางบ้านจิตใจไม่อยากได้ทรัพย์สมบัติเขาใครโดยไม่ชอบธรรมเมื่อขาดมานไร้ใครมีความเห็นตรงตามที่พระเจ้าทรงสอนอันนี้เป็นกำหนดสิิ ถ้ายังปฏิบัติกฎบัตรสิไม่ครบครบเป็นกันจะครบบ้างแหวงบ้างเผลอบ้างยังไม่เรียกวโกหลังโกละถ้าสมบัติสิบครบเต็ม ท, ทุกอย่างไม่ต้องมาัตระวงังไม่เผลอที่นี้เปเอกวิชีเป็นพระโสดาบันละเอียดแล้วพระโสดาบันก็มีอะไรไม่ต่างกับชาวบ้านชั้นดีที่ยังไม่ต้องบวช คนที่ยังไม่แต่งงานก็แต่งงานได้แต่งงานแล้วก็ไม่ต้องแยกจากคู่แต่งงานเพราะยังไป็นผูครองเรือนอยู่แต่ว่าพระเจ้า ก, ก็ทรงเรียกว่าคนพวกนี้เป็นเป็นพระเหมือนกันเป่นพระโสดาบันข้างว่าพระโสดาบันแปลว่าเข้าถึงกระแสพระนิพพานง่ายกว่าว่าท่านที่เป็นพระโสดาบันไม่ถอยหลังลงอบายภูมิ บาปเก่าๆจะมีเท่าไรก็ตามทีแต่บาปทั้งหลายทั้งหมดนี้ไม่สามารถจะดึงลงนรกเป็นเ ป, นปรตแสลกายเป็นสันติฐานได้จะมีอย่างเดียวเกิดอย่างต่ำแค่มนุษย์ตายจากมนุษย์เป็นเทวดาเป็นนางฟ้าหรือพรหมถ้าคูนบับุญที่เป็นเทวดานางฟ้าหรือพรหมก็ลงมาเป็นมนุษย์ใหม่เปียนไปเวลียนมาอย่างนี้ถ้าอย่างหยากที่ียกว่าสตระขัดตงุง ก็มากลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกเจ็ดชาติขยานกลางโกลังโกละก็กลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกสามชาติเอกับมิชีอย่างละเอียดมาเกิดเป็นมนุษย์ชาติเดียวก็ปฏิพันธ์ ท, นทันทีเป็นอรหันร์กลวงความว่าการประดิษฐ์ขบรดาทรรมพุทธบริษัทไม่มีความจําเป็นต้งนองเคร่คองเครียดนักค่อยๆเคยทำก็ค่อยระวัง สิ่งที่มีความต้องการในสุดอันดับแรกคือสินห้าสินห้ามีอะไรบ้างตื่นขึ้นมาตอนเช้าก็มีความรู้สึกว่าเราจะทรงสินห้าบริสุทธิ์ทั้งวันกว่าจะหลับแต่ว่าก่อนจะหลับคุณจะทบทวนก่อนว่าวันนี้เราเผอสินห้าข้อไหนบ้างถ้ามีการเผยก็คิดว่าวันพรุ่งนี้เราจะไม่ยอมเผยทำอย่างนี้ทุกวันไม่ใช่มันก็ชิน ถ้าทรงสินห้าบริสุทธิ์อย่างเดียวการรู้สึกว่าจะต้งตายของเรามีอยู่แล้วควคร พ, พระอพระเจ้าท่านประําในพระอริยสงฆ์เรามีอยู่แล้วฉะนั้นถ้าเคารพสิ้นห้าอย่างเดียวครบถ้วนจิตทักผลิภัตในอารมณ์ทุกคนก็เป็นปัสสาดาบันไม่อยากนะคือว่าไม่ต้องไม่ตงเลนยาววันนี้พูดเป็นควาชัดนะบางศั์ก็ห้วนไป เพราะว่าริงแข็งมันไม่ได้นอนเมื่อคืนมันหลับแล้วมาถึงชั่วโมงต่อมาก็มาคุยกับพระสิกขาคามีงงมื่ก่อนปุทธโสดาบันมาแล้วนะมาย้อนหลังพอถึงพระสิกธาคามีก็ตัดสัญชนตเท่ากันคือหนึ่งสกายาติทีิมีความรู้สึกว่าชีวิตต้องตาย สวิจิกริชชาไม่สงสัยในพระเจ้าในพระธรรมในพระอริยสงฆ์สามทิรปรตาปร r a m a t มีสินบริสุธ์เหมือนกันแต่ว่าพระสกิทาคารมีก็ใช้ปัญญายิ่งขึ้นพิจารณาตามความเป็นจริงว่าโลภความโลภความโลภมันไม่เหตุถึงความสุขหรือเหตุถึงความทุกข์เพราะสกิทาคามีบรรเทาความโลภควากลัความหลง ความโลภก็น้อยลงความโกรธก็น้อยลงความหลงก็น้อยลงอันนี้ใช่ปัญญามากขึ้นทั้งนี้เพราะเนื่องเพราะว่าทุกคนทุกท่านถ้าเป็นมัสโสดาบันรมใจก็เริ่มเยือกเยน็นเมื่อใจเยือกเย็นปัญญาก็ยม่งเกิดปัญญาก็จะบองเห็นว่าถ้าเราเป็นมัสโสดาบันขันยาบ เรียต้องเป็นมนุษย์อีกิปตชาติต้องขอแสนลําบากถ้าเป็นระโสดาบันขั้นกลางเราต้องเป็นมนุษย์อีสานชาติก็ลําบากถ้าเป็นระโสดาบันขั้นละเอียดก็ต้องมาเป็นมนุษย์อีหนึ่งชาติก็แสนลาบากถ้าเป็นระโสดาบันนั้วก็ขอไปนิพพานเลยก็ต้องใช้ปัญญาใช้ปัญญาเจรณาหาโทษของความโลภ คำว่าโลภดีอไหมความวาอยากได้ทรัพย์สมบัติของคนอื่นโดยไม่ชอบทำไม่ใช่ว่าคนขยันเป็นโลภคนขยันไม่ใช่คนโลภนะถ้าเขาก็ยันทำมาหากินโดยไม่คดไปโกงใครไม่ไม่ไมไมไมเบียดเบียนชีวิตของใครอย่างไม่เป็นสามาชีวะต้องตัดสินใจให้ถูกนะถึงว่าคนเขามีร้อยบาท เขาอยากจะได้แสนบาทเขาพยายามทำจนได้ครบแสนบาทเป็นคนโลคอันนี้ไม่ใช่ถ้าก็หางมาได้โดยชอบทำไม่ผิดทำไม่ผิดกฎหมายอย่างนี้เป็นสัมมายิีวะคือเลียงชีวโดยชอบไม่ใช่ความโลภความโลภสมัยนี้ว่าอยากได้ทรัพย์สมบัติของคนอื่นโดยไม่ชอบทำอยากลักอยากขโมยเขาบ้างอยากคดโกงเขาบ้าง อย่างฆ่าฆ่าชีวิตของคนอื่นเพื่อประโยชน์ของเรายัางนี้เป็นความโลภต่อไปก็บรเทาความโกรธเห็นเท่าของความโกรธสังเกต ด, ดูดีว่าคนโกรธง่อยในแก่เร็วคนใจเยือกเย็นแก่ช้านั่นใครไม่อยากแก่ก็ยังจะโกรธเอาเอาไ ง, ไง่ายๆเอาทิศครั้งก็พอนะเ ด, เดี๋ยวโกรธมันนาน โกรธั้งหนึ่งแล้วคนจะไม่เกินห้านาทีเก็บความโกรธแค่ห้านาทีพอใส่ไ ห, ไหม <c oughs> ก็ลงความว่าคนโกรธไอโกรธนี่มันเป็นความาร้อนเป็นการเผาผลาญมันเผาผลาญชีวิตให้วอดวายลงไปเร็วเป็นไฟโทสักขิไฟจะโทรสระแม้เมื่อโกรธบ่อยอารมณ์ก็เศ่้าหมองมากอารมณ์เศ้าหมงมากก็แก่เร็ว เห็นโทษความกรธเความโกรธมันไม่ดีเพราะอะไรว่าคนทุกคนได้เกิดมาหวังความสุขความสุขมาจากไหนความสุขขึ้นมาจากความสามัคคีคือความรักซึ่งกันและกันในเมื่อความสามัคคีมีขึ้นดีไหนที่นั่นก็มีความสุขเห็นหน้ากันก็มีแต่ความยินยามแจ่มใสถ้าความโกรธเกิดขึ้นเห็นหน้ากันก็มีแต่ความร้าวร้อนอารมณ์ก็เป็นทุกข์ ฉะนั้นในเมื่อจะดับความโกรธไม่ใช่ดับง่ายนะพูดง่ายแตดับยากค่อยๆดับดับเบาๆวิธีดับคือว่าใช้พมีหานสี่นึกไว้เสมอว่ า, วาตั้งแต่เช้าถึงดับเราจะมีแต่ความรักเราจะมีแต่ความสงสารเราจะไม่ฉารดเสียใครเราจะมีลมวางเฉย นั่นหมายความว่าเราคิดว่าคนทั้งโลกวัตสัตว์ทั้งโลกเราจะเป็นมิตรที่ดีของเขาทั้งหมดจะไม่เป็นศัตรูกับใครเราจะมีความสงสารในคนอื่นและสัตว์อื่นเหมือนสองสารตัวเราถ้าเขามีทุกข์ไม่เกินมิตรที่เราจะช่วยได้เราจะช่วยให้มีความสุขแล้วการในสามใครได้ดีพอ ย, ยินดีด้วยไม่ฉาได้เสียใคร ในการในสี่ถ้าบุคคลใดทำให้เราไม่ชอบใจเราจะวางเฉยไม่โต้อตอบแล้วก็ตัอารมณ์ใจของเราว่าวันนี้หนึ่งเราจะมีความรักเราจะมีความสงสารเราจะไม่อิจฉาิะเสียไเราจะวางเฉยเพราะก่อนจะหลับก็ทบทวนว่าตั้งแต่เช้าถึงเวลานี้เมื่อลมตัวไหมบังบกพร่อง เราเคยคิดเกลีกลยดใครบ้างไหมมีไหมในหัคคนเขาใกล้เคียงและห่างออกไปตนการนี้สองเห็นคนที่มีความลําบากฉันสติมีความลําบากเรามีความ้องสารไหมถ้าจิตยัดดาวนช่วยไม่ได้แต่จิตนี้สงสารก็ใช้ได้ไหการจะช่วยกันนอยู่ยที่โอกาสบางทีเขาขาดรัย์เขาลําบากในรัย์เราก็ขาดเหมือนกัน หรือถ้าไม่ขาดเลยแต่ว่ามันก็บกพร่องไม่สามารถจะช่วยได้จิตใจคิดว่าถ้าโอกาสมีเมื่อไรเราจะช่วยจะนี้เป็นคุญแจความสงสารและการต่อไปเห็นใครเขาได้ดีพรอยดีดีกับความดีของเขาไม่ฉาริเสียเขาเมื่อเขาจะ ด, ดีเพราะอะไรเขาจาไว้เขาทําแบบไหนจริงได้ดี เราก็พยายามทตามนั้นให้ดีเหมือนเขาแล้วดีกว่าเขาก็ได้ต่อมาถ้าใครพูดไม่ชอบใจเราหรือทําทไม่ชอบใจเราเราก็วางเฉยไม่โต้อตอบโต้เบียาวางเฉยค่อยค่อยคิดไปเรื่อยในใหม่มันก็จะลืมมันต้องมีลืมมันต้องมีเผลอเป็นขอธรรมดาแค่สี่ข้อนี้นะบางทีต้องฝึกกันเป็นปีนะ เใช่ไหมนะอย่าไปนึกว่าเราเลวเกินไปหลวงพ่อพูดแล้วทาไม่ได้ไม่ใช่อย่างนั้นหลวงพ่อก็เหมือนกันหลวงพ่อมันช่ดีนะมันเหมื อ, อ, น, ก น, น, อ, อนกันทุกคนต้องค่อยๆ ค, ค, คิดคิดไว้เสมอว่าก่อนจะหลับทบทวนพอ ม, มหันสี่เนื้อเมตตาความรักสงกังฆนาความสงสารสา ม, มุตุตามีจิตอ่อนโยนไม่ฉาได้เสียใครชีเวขาว่างเฉย ว่าวันนี้เราครบไหมถ้าไม่ครบวันพรุ่งนี้เราจะไม่ยอมให้แหวให้แหวงไม่ยอมให้บกพร่องพอถึงวันพรุ่งนี้ก่อนจะหลับนึกใหม่มันก็ยังฟ่องอยู่วันนี้ฟ้องตัวที่หนึ่งวันพรุ่งนี้ฟ้องตัวที่สองก็เป็นอย่งางนั้นของธรรมดาแต่ว่าคิดอยู่เสมอไม่ใช่ก็ชินอันนี้แต่ลรงคิดแล้วนะต้องใช้ลงคิดเป็นบรญญาขณะที่เรายังคิดอยู่ คิดว่าเราจะรักเราจะสงสารเราจะไม่ฉาดิสหยาใครเราจะไม่เราจะวางเฉยขนานั้นที่มีลงบนไปวนมาปกพร่องบ้างดีบ้างแต่ว่าความรักยังมีแต่เบาลงความโกรธยังมีแต่เบาลงความหลงในร่างกายยังมีแต่เบาลงเพราะอะไรถ้าหลงในร่างกาย ถ้าเราหลไม่ร่างกายก็จึงดูคนอื่นคือเขาแก่กว่าเราว่าความจริงเขาว่าก่อนนี้ก็เป็นเด็กเป็นหนุ่มเป็นสาวเหมือนกันแต่ตอนนี้เวลานี้เขาแก่ถ้าต่อไปก็ดูคนตายว่าคนที่ตายที่แก่แล้วก็ตายแต่ความจริงเมื่อเกิดใหม่ๆเขาไม่ได้แก่เกิดใหม่ๆเขาก็เป็นเด็กเหมือนเราเกิดต่อมาก็เป็นหนุ่มเป็นสาวเหมือนเรา ต่อมาก็ใบใบคนเหมือนเราแต่เวลานั้นเขาเป็นแก่เราจะแก่ไปถึงเขาเวลานี้เขาตายกรองความว่าการหลงในร่างกายเขาตัวเองก็ดีหลงในร่างกายพวกคนอื่นก็ดีคิดว่าบรนจะไม่แก่จะไม่ตายจะไม่ป่วยเขาไม่ถูกต้องเมื่อแท้จริงแล้วคนก็ดีสัตว์ก็ดีที่เกิดมาในโลกเมื่อมีความเกิดขึ้นในเรื่อต้น ก็มีความเปลี่ยนแปลงของธรรมดาแก่ลงไปทุกวันแล้วก็ตายในที่สุดเมื่ออารมณ์อย่างนี้เกิดขึ้นอารมณ์หลงในร่างกายก็น้อยลงถ้าสีทาคารมินี้ยังไม่ตัดนะแค่เบาเฉยนะความรักเบาลงยังรักอยู่ภารโลภนะความอยากรวยเบาลงก็ยังอยากรวยอยู่ความโกรธเบาลงไม่รุนแรงนักก็ยังโกรธอยู่ ความหลงเบาลงก็เ ย, ย่างความหลงยังมีอยู่อันนี้เป็นพระสิกขาคามีเขาย้อนต้นว่าการปฏิบัติขบัรดาแต่พุทธศาสนิกชนที่พระพุทธเจ้าต้องการเท่านึงต้องการให้ทุกคนเป็นพระโสดาบันสองต้องการทุกคนเป็นพระสิกขาคามีสต้องการทุกคนเป็นพระอนาคามี ที่ต้องการทุกคนเป็นพระอรหันต์ถ้าพูดถึงพระโสดาบันบางทีเราไม่เคยฟังก็คิดว่ามันหนักมากใช่ไหมเขาจริงไม่มีอะไรทัางครั้ครูสอนนั่นแหละถ้าครูสอนมีความรู้มากเกินไปรู้สิกก็แย่เหมือนกันถ้ามีความรู้น้อยควรชั่วหน่อยพระโสดาบันตัดสัญญาณเดี๋ยสามย้อนหลังหนึ่งสกายติทิ เช่นแปลว่ามีความรู้สึกว่าร่างกายไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเราไม่มีในร่างกายร่างกายไม่มีในเรานั่นก็หมายความว่าร่างกายมันต้องตายให้สับง่ายๆไม่ว่าใครทั้งหมดเกิดมาแล้วต้องตายเหมือนกันเขาก็ตายเราก็ตายทีนี้มาใช้ปัญญาย้อนหลังว่าตายแล้วมีสภาพศูนย์ไหม ในฐานะที่เราเป็นสาวกพระองค์ทศเดชพระสัมมาทพิพเทเจ้าก็ขอยืนยันว่าตายแล้วมีสภาพไม่สูนเพอะไรมันตายแล้วถ้าไม่หมดกิเลสถ้าหมดกิเลสก็ไม่สูนตายแล้วถ้าไม่หมดกิเลสถ้าจิตใจเศ้าหมองลงอบายภูมิถ้าจิตใจพึงกุศลไปสู่สวรรค์บ้างปรมโลกบ้าง ถ้าจิตใจบริสุทธิ์ก็ไปถึงนิพพานได้เราเฉพาะอย่างยิ่งวันนี้ที่เขาฝึกกันตอนกลางวันก็มีคนรุ่นใหม่ไปพบพระนิพพานร้อยแปดสิบคนเสษเห็นไหมที่เอารุ่นใหม่ไม่ใช่รุ่นเก่านะเอารุ่นวันนี้แล้วก็พระเจ้าเองทรงยืนยันว่านารกมีจริงสวรรค์มีจริงพมโลกมีจริง แล้วก็ถ้าจะถาววัณนีพานศูนย์ไหมมีพราหมณ์เคยถามพระพุทธเจ้าว่าวัณณีพานมีสภาพศูนย์ใช่ไหมเหมือนกับควันไฟที่ลอยไปในอากาศไม่มีที่เกาะไม่มีทียึดพระ เ, เจ้าบอกไม่ใช่อย่างนั้นเราะว่าไม่ใช่เป็นอย่างนั้นจะเป็นความเห็นผิดนิพภะท่าแปลว่าดับคือดับความชั่วทุกอย่าง ความชั่วทั้งหมดมันลงตัวที่ความโลภความโกรธความหลงดับความโลภดับความโกรธดับความหลงได้สามอย่างไปรากเหง้าของความชั่วเมื่อดับรากเหง้ามันได้ไล่กิเลสต่างๆที่เป็นลูกน้องก็ตายหมดเมื่อตายหมดจิตก็บริสุทธิ์จิตก็มีความสุขถ้าจิตมีความสุขนิพผานอยู่ที่ไหนไมจะตอบไปนะตอบไปยากนะใ่ารู้ก็ไปก็แล้วกันนะ นิพพานต้องถือว่าเป็นทิพย์พิเศษเทวดาดังฟ้าก็เป็นทิพย์รมก็เป็นทิพย์แต่ทิพย์ประเภทนั้นเมื่อบุรลุวัสนามารมีต้องกลับมาเกิดใหม่สำหรับถึงนิพพานนั้ น, นพาะประดับไม่เวียนหม่ใจเกิดต่อไปอยู่ที่นิพพานโดยเฉพาะมีความสุขฉะนั้นถ้าบรรดาแต่พระประจักษ์สงสัยนิพพาน ก็ต้องฝึกให้รู้จักนิพพานถ้าเรายังไม่รู้จักไม่รู้จักนิพพานเป็น ไ, ไดเราก็สงสัยเพียงนั้นการฝึกเพืรู้จักเท่นิพพานไม่ขอไม่ยากแค่ทําใจบริสุทดขั้วขณะเดียวถ้ามีรมเป็นทิพย์จิตต้องเป็นทิพย์ทิพทะก็มาเล่นของเบาๆเครื่องลมเบา ๆ, เ, บาๆเวลานั้นจิตว่างจิตเร็ดชั่วคราว เมื่อจิตบ้านจิตเลตมีความเป็นทิพย์เกิดขึ้นแล้วก็ใช้ความเป็นทิพย์ดูพระนิพพานนี่สำหรับวิชาสามถ้าเป็นได้เพราะวิญญาเมื่อความเป็นทิพย์เกิดขึ้นก็ใช้กําลังเพราะวิญญาไปสู่นิพพานไปสวรรค์ก็ได้ไปเขตสวรรค์ที่ไหนก็ได้ไปพรมโลกก็ได้ปฏิพัน์ก็ได้จะไปเขตนรกก็ได้ไปในไปก็ได้ส่วนายได้สติสัสยก็ได้ เ้าสามารถจะทราบว่าไม่พบแล้วหรือวิมันมแล้วหรือทราบว่าวิมานนี้เทวดาและนางฟ้าจะขออนุญาตเป็นพระอริยเจ้าหรือเป่าราจะทราบทันที <c oughs> นี่เทติพานอยู่ที่ไหน <c oughs> เทติพานไม่อยู่เลยพรห ม, มโลกชัตติีโผลขึ้นไปแต่ว่าบรรดาท่านพุทธบริษัทที่ฝึกตอนกลางวันเขาคงไม่สนใจเทวดานางฟ้าหรือพรหม พอเจดุลาบุญ น, นี้ครูก็แนะนําไปนิพพานทันทีใช่ไหมมันก็ถึงทันทีมันช่วยขนาดจิตเดียวเขาว่าช่วยขนาดจิตเดียวหมายความที่ตามบาลีจะบอกเราใช้เวลารัดมือรับมือมือเดียวไอ้รัดมือมือเนี่ยมันช้ากว่าเาราพูดจิตเร็วกว่านัข่ขอบรุญาต่พุทธบจ้าัทท์นิรันดโดยทนหน้าถ้าทุกคนหวังนิพพานคงวางรากฐานไว้ก่อน อหนึ่งไม่ลืมความตายสองยอมรับต้องถือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์ด้วยปัญญาสา ม, มีสินห้าบริสุทธิ์ถ้าสี่มีจังหวัดสิบริสุทธิ์ถ้าประการที่ห้าต่อไปหวังพุทธิพันธ์เป็นอารมณ์ใจจับพระจุดเดียวคือพุทธิพันธ์อย่างนี้ก็เรียกว่าเป็นโสดาพันธ์ถ้าถึงปโสดาบนแล้วที่ไปผู้เข้าถึงกระแสบิพันธ์ไม่ถอยหลัง ทำว่าเสื่อมในความดีไม่มีอีกมีคดีมากมากมาเาาากินไปอาราบันดาแยกยงไป็บริษัททางหลายเวลานี้หมดเวลาแล้วต่อ น, นี้ไปพระมุท่านต่างหลายตั้งใจสมาทาสงสาานินสมาทานมันมาทาน